พระธรรมเอตสนามหาจาาเวชสันดรจารดกชาวพิเศษชุดสร้อยรวมธรรมกันทีแปดกีวากุมรารบันรวดชำระคัดกล่าวสมนนใหม่โดยอินสมชัยชุมพูรป ร, รียนธรรมฮกประโยคอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงาย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จูจะโกเปียจูตะตาปเสนากาติตามเกนาันตานาวาจตุราชโปกระีตีรังปัตตานินเตี สาทาวุราสาปุริตาตั้งลายตัง้งหญิงใจมวลหมูอันนั่งอยู่ลายลามส่วนจูจ้กกะพรำปเถ่ว <c oughs> ก็ดันป่าเศร้าดองควางไปตามต่างป่าไม่อันเจ้าตีไวอ้อจุตระสีหักไข่คำดีจี้บอกเทาสากอกมาลาอุ้ไกกาดันสอต่อเต้ารอดโบกครณี อันงามดีพอแป้งมีสีแจงสะเมื่อกันยามตาวันย่อนหอยรับเหลี่ยมน้อยอยู่กันทอนนกหากรอนสะสู่พรำเท่าปู่ปาลาก็ปิดจารณาคกิดไขว่ากูมารอดไก่อาสรม แห่เงเตา่าดมเบตสันตราราชยามตาวันกาดหลงแรงนางจอมแป้งน้อยนาดกือนางราดจ้ามัททีเตี่ยงจากดงรีเถื่อนทอง <c oughs> มารอดห้องศาลารร ม, มาดาว่าไว้ตั้งแต่ไทยเป็นาบว่ามาตูกาโมนามเจ้วันหญิงตั้งลายลังพ่องบ่กขึ้นป่ อ, ปองกองทม มีใจดำทะานีบวรุติสละตานเป็นตัวมารอันใหญ่คนอยากไรอนาถาได้ละกะาวิขาดจากโจกลาบดีลี ในยามดีพูกเจ้ากันนัง่งนอนเดานี่ไก่เขาดงไพรป่าไม้เพื่อกซอไซหัวมันกู้ก้อยพันไปสู่ยังตีอยู่อาศรมแห่งเตา้าดมเบสันต ร, รารัดคอสองน้อยนาเจียงคาน <c oughs> ซึ่งเต้าผู้บ้านผ่านแผวกันได้แล้วรีบละดนีบอหื้นัง่งมัทีมารอตันไดต่อ ต, อตาหันควนจัลนา กันปิดจารณาเกิดแล้วก็กาดแก้วไก่ก้าขึ้นสูงเงื้อมผาสูงใหญ่ที่จิมไก่โบคารณีพร้อมกาลีเท่าถอยก็ลวดมวยลับไปก็มีหันเลนะอ่างปลนรัติ่งใน้อยที่คืนนั่นใส่นางแก้วแก่นไทยราจาหมดที่ฟุงนอนดีใส่ญาตในอาวาตศาลา <c oughs> กอบสองขาลูกเต่าดังนอเดาก็ฟันหันกวรอัดสัดจันไดหลากนิมิตรหากปูนกลัวเอโกปูริโซฟันว่ามีใจคนหนึ่งดำดำสูงลำเนื้อนังกรำเหมือนมีทารงภ้าสีย้อมฝาดพืนหนึ่งขาตั้งในฝืนหนึ่งสะใบไปนอกสองหูตัดดอกสีแดงมือขวาแข่งกำดาบเปลื่อมมามาบตอตาแล่นเข้ามาบอจ่า เงีย้ยโขดกาคำรามกำพงนางงามจักลากคือนางเต่าตากนอนงายควักเอาตานางชมชัยตั้งกู้ตัดแขนนางกินกู่ตั้งสองมันสั่มปองพาหัวอกแล้วก็จกหัวใจสาลีนองไวนาไหยรวดล่องให้หนำกำกันมันกำได้แล้วเลือดนางแก้วหลายลามมันก็ยกแขนนางงามติวกว่าเล่นเข้าปานี่ไป สาวผู้นิตต๋ากันนางใส่ใจสะดงตื่นบ่แจ้งจื่นกำฟันบ่เคยหันยินหลาคืดแต่หากเปิ้งกลัวนางมีตัวอันสั่นหัวใจปั่นเววาว่าความฝันอันนี้นาดูหยาบเที่ยงเป็นบาปน้ำนาคนได้นาจักแก่หือแจ้งแน่หันใส่นางคืดใจไข้ดาวไฟบ่เต้าเต้าเวสันดร นางจริงลุกจากที่นอนฟังเฝ้าไปสู่ที่อยู่เต้าสามีกานั่งพญายืนไปนอกเอามือต่อยประตูบอกสัญญาก็มีหันเละนะ มหาสัตตอันวาพระมหาสัจเจ้าตนวิเศษใดยินเหตุสัญญายินสังกาลำยิงเต้าจริงข้านิ่งใจว่ากันเป็นผีในภาเจ้าต่อยกอลังว่าต่อยไปบน กันเป็นคนหลุมป้าก่อลางว่าต่อยทำกลางกันเป็นสัตริชานน้อยใหญ่ย่อมต่อยต่ำไตหลงมาเจ้าพิจารณาเกิดไข่ก็รู้ได้ว่าเป็นคนหนอพระทศสปนยอดซอยจริงเกาถอยถามดูว่าไผมาต่อยประตูกูให้ย่ำบอใจเวลานั่งฟ้าญาตอบถอยว่าข้าหมอนน้อยมาธย์เลยนะ ว่าอันเมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าตนผ่านแผ้วจริงก่าวซึ่งนางแก้วมาที่ว่ดดูราใสาสะลีเฮยน้องเนาตั้งแต่เก้าหัวตี <c oughs> เราเป็นจีนักบวชจังผันหวดภาวานากรรมกติกาหลายสิ่งฮือปีนฮือน้องมิ่งกําไมยบัดนีนางโจมชายนัดน้องป้อยมาสู่ห้องศาลา ผิดกาติกาว่าไว้เหตุบ่ใจเวลาจังควรมาสุบันย้อนดึกเตีงยงคอนไรทีหรือใส่สลีจกักมั่งยังกำปีอางปันนางสลีกิงบางหนอนเอาก่อตันเล่ากำไปว่าพระจอมไต้เฮยเยจ้าคอย <c oughs> ขามันน้อยมัดที่ฟันบอดีแต่เราจริงจักเข้ามหาบ่อใจมาด้วยเหตุย้อนกาเมกิเลตนำตังค์ข้ายิงนางฟันหลากนิมิตหากปูนกัวขอเจ้าเนือหัวก่าวแก่เฮือแจงแน่ตามมีนอมุนีหยอดซอยก่อตันถอยกำไปว่านางฝันสันได้นั่นเราจุงบอกเรามาปั่น น้องก็ไข่ปันเก่าจี้เอแจ้งที่จู่ฟักการ น, นอบพูที่ยานตอนอง์อาจฟังดังนดาดไข่จาก็มีพระญาตรู้รอดว่าจักถึงยอตาณฝาร ม, มีกันยามดีผูกเจ้ายาจเกเตียงเข่ามาข้อเอาส่องสอบบ่ลูกแก้วได้แล้วหลวดน้าําไฟเพิ่งมีจักแหลนา พระมหาสัจเจ้าตนอง์อาจกันรู้แจ้งขวาดทันใส่ซ้ำคร้นิ่งในแถมเล่าว่ากูกวหลมเล่าหนังมาที่หือหายเคืองขี้เอาไม่ตนเต้าไทยจิงก่ากําไปว่าดูราใสา่ใจเฮ้ยยอดซอย งามจื่นจ้อยชมสีนางเคยนอนบนสาลีสะอาดในภาสาเฉียงคานสะเวยอาหารและสิ่งรสะยิงย่งลหลแสงใส่ผ้าจานะคำแดงแปรงกาบัดนี้มาอยู่ป่าดงนานาั่งผาญาตุกไร่กินลุกไม่เนือ้อตองนอนบนกองใบไม้ลาดบอมีศาสตรองนอน เมื่อต่างหมอนไก่เก่าเป็นตุกจิมเจ้าจอมพางร้อยถัดนางความเขือกฝันไร้ายเหยือกปูนกลัวานางอย่ามม้วสกเศร้าจุงปอกไปหาลูกเตาสองระแดดเตอ <c oughs> ว่าอันแล้วก็ส่งดังแก้วขึ้นมาสู่ศาลาติเก่าก็มีหันและนา กันคืนนั่นแจรงรุงสายฝ้าปุงขึ้นมานางพญาก็ปฏิบัติอย่างกองวัดเมียนแล้วก็อุ้มลูกแก้วอุดมมาเจยจมตังกูแล้วเกววาเจียนจ้า <c oughs> ว่าสองสายตาลูกรักแม่คืนนี้แม่ฝันายแต่ดีๆขอสองสลีน้อยนออยู่ใกล้ปอระญา อย่าไก่กาเตียวต้องไก่จากห้องอารามกันเก่ากำงามสั่งแล้วก่อุ้มลูกแก้วสองขาไปฝากพระมหาทรัพ์เจ้าเส้มสัมตันเหล่าไขาก่กํ <c oughs> ว่าขอพระองค์คำเป็นเจ้าจึงพอลูกเต่าสองราญาลาสาพระมาดยาฮือได้กาดนี่ไก่กันจะไขส่สั่งแล้วนางนออแกว ก็ถือเอายังเสียมกันเหล่าจอดบองดาตั้งตองหัวมันเข้าสู่หิมะวันป่าไม่เยีะร้องให้ก็เยี่ยดีไปวันนั้นและนาจูจะโกปีส่วนจูจะกะพร้ามปู่เท่ามันลูกเจ้าคดิ่งในว่าบัดนี้นั่งสายใจนอนเงาม้บ่อเศร้าราจามดที เตียงจักนี้เข้าป่าเพื่อเซ้อลาหัวมันกวรกูปันรีเผาไปคอลูกหนอเต้านิ่งใจเท่าผีภายรีผากลงมาจากเนื้อพาแล้วไก่กาไปสู่ตีเต้าอยู่กะทำทํ า, ทาก็มีหันและน่า ส่วนว่าพระมหาสัจเจ้ากออกนั่งเฝ้าเหลีงดูที่พระตูวปัณาศาลาทารงโสภาวเวนเป็นดังแต้นคำแดงสองตาแยงเลี้ยงสองทัดที so ่จงตั้งมา แห่งคนอาณาทานอยากไรอันจักมาไกลเตียวกายเป็นดังใจทงเลานั่งอยู่เฝ้าของตั้ง ต, า, งตาบอวางลาภากย้อนใครอยากเดือดลายอันค้นไขาหากรู้นำมาสู่ตังวันนั้นแลนา ส่วนสองกุมานหนอไทยก็เล่นตีไกพระพิตาเมื่อ น, นั้นพระมหาศัตว์เจ้าเล่งหันความเท่าจักมาเติงก็รำเปิงใจจอดว่าพระผู้นี้จักมายกยอดปารมีในดงราษีป่าไม่อันกูนยังไหวเจ็ดเดือนและนาว่าอันแล้วเต้าตนแก้วเกิดจมบ้านจิงจาวานตั้นเล่าซึ่งลูกเก้าจารี ว่าอุ่นเทหิจารีปติทัดังนี้เป็นเก้าว่าดุราเจ้าจาริลูกรักพ่อเจ้าจุงใจหมอมาปันป่อได้หันพรามเท้าเที่ยวแต่เต้ามาหาดังเร้าราเมื่อก่อนอันอยู่บันในเมืองยาจกเนีองมารอดเราได้ต่อดเตตานพ่อหันพรามผูนี่ใจพ่อกี่ใจจม เจ้าดมลูกพ่อจุงใจหมอไปปันรับปาริขานมันพรามเทาแล้วบอกเขามาไว้เจ้าจาลีไข้ตันต่อว่าข้าแด่พ่อพญาดังพระพิตาใครบอกลูกหันแต่นอกกระรามเป็นดังพรามบิเศษเดินดันเขตดงดอนมันเดินจอนบอมีกูเข้ามาสู่ศาลา <c oughs> กันว่ามาถึงแล้วเตียงเป็นแค่แกวเรารเจาจาลีสจาเสียงขาดก็รีบย่อยบาดไม่หาอย่างพรามปัลลปูเทาตามปอเจ้าใขรกัมก็มีหันและนะส่วนจู่จ้ากับพรามปูเทาได้หันเจ้าจาลีรวบงามดีจืนจ้อยพรามเทาถอยคะนิงไมายวาเด้งคนใจผู้นี้รอยมีจือจีจาลี ลูกหัวปีงามอาแท่งพัญาเวสันตระราชบุญนาจาติลูกพัญานีสใสย่อมมีมานะใหญ่เหลือใจกันกู้ขอไปเป็นข้าก็บอหลางว่าจากฟังจักใจสั่งยินอยากเตียงลำบากน่นนำกวนไข่คำข้านาบกล่าวคำราบแต่หัวตีฮือจาลีมันอ่อนมานะั่นสูญหาย เท่าผีพายใจเศร้ากอบพัดลัดมือใส่เจ้าจ่าลีว่าเว้ยเว้ยลูกเจ้าระสีเฮยน้อยอ่อนจุงหลีกบอนหนตั้งหยายื้นควางตั้งปูกูจักไปสู่อาสรมเจ้าดมหันไร่ก็รีบใหญ่ตั้งไปแล้วขานิ่งใจค้าค่อยว่าพรามพูนี่ถอยเรือการจักกำหารเหย้าเหนือตาเลื่อมเลือเสียงแข็งฟอสะแกงเงียงนา ดูถอยเจ้าปูนขัวเจ้าไข่หัวยิ้มอยู่ย้อนหันปูจีพรามมีโตดบองงามป่นแป่งทวนสิบแปดแห่งในตนแลนะ <c oughs> จู่จ้ากาพรามเท่าปูเข้าไปสู่ศาลาวังทงป้าไว้แล้วอันจักจาาซึ่งเต้าตนแก้วนอบปูที่ยานจริงไขรคานเกาทอย เป็นบาทซอยกัถาวาคจิโนพนตโกสาลังกจีพนตอนตวอาวาญังดังนี้เป็นเก้าวาคาแดเจ้าระสีติไวเจ้ <c oughs> ามาอยู่ป่าไม้ดงนาฝูงโรคกาพัญญาตบมม่มาต้องฝาดเบียนขี้ตุกโมมีมาต้องในแห่งห้องหอระไทยเลี้ยงชีวิตเป็นไปบ่หยา โลกไม่มากปว่าฉันสัตว์ต้องตันได้แลเลือบหนุ่งแผ่น้ำนาเขาบ่มาตอนใตงูนอ้อยใหญ่บ่มาเบียนสัตว์อาเกียนในป่าเขาบ่มาลาระวิจรือ <c oughs> เมื่อนั่นหนอปูที่ยานเจียงเจ้าก็ตอบเทาจีพรามบากูสลันเจวานพรมเมดังนี้เป็นตนว่าดูราพรมามเทา อันไต่เต้าเตียวมาเรานี้นะาหาเปียคิบ่อใดบ่อมือไครหนาวในวัดจาไอ้ไล่แล่บ่อมาแพระวิลูกไม่มีบ่อไรยังหาได้พอฉัน เหลือบยุ่งหันสว่าสว่ามีจูป่าดงนาเขาบ่ามาตอมไตงูน้อยใหญ่บ่ามาเบียนสัตว์นเกียนหยาบจ้าอันอยู่ป่าดงตันบ่าภายพันตองพายมาทำไราตัวเราและนา <c oughs> ดว ก, กระราพรมเท่าเหมือนแต่เรานำนาแต่เรามาอยู่สร้างในป่ากวางดงรีเจ็ดเดือนดีบคบไครเราจริงใดเล็งหันต้านภายพันมาสู่ยังที่อยู่เรารา ตันนี่มาถึงบอนเป็นคนก่อนหัวตีตันท่าุงเกลง่ดีวิเศษเป็นดังเป็ดราสีตันมาดีด้วยจอบเราหนี้ขอบใจลายตั้นผ่านภายเตียวไตมารอใ ด, ดคนเดียว <c oughs> ลาดดงเขียวไล่สำตั้งจุงไปโรงน้ำสาลาจำระปาตาตั้งกูแล้วมาสู่โรงรากินผาลาลุกไม่เรามีไว้ทมทองคือมา ก, กับต้องกินฝาตั้งมากหาสุกยางตั้งมากสางมากเมาเจินพพรมเท่ากินตามใจน้ำอันนี้ใส่ก็มาใส่เย็นก็มาเย็นจะจิว อันนางมัดทีหากหิวตักมาต้านกินพระลาอิ่มต้องจุงดื่มล่องลำคอแดดเตอเมื่อนั่นโปตว์เจ้าตนวิเศษใครรู้เหตุอันมาแห่งพรมมะมนาผู้เท่าจริงตานเรากำไปว่าเหตุอันใดนั่นไส ตั้นจริงใดเตียวมาเราทำหาใครรู้จุงกาอูตามีปูกาลีทับถอยก็ตอบถอยกับไปวะยะทาวรีวะโหปุโรดังนี้เป็นเก่า ว่าข้าแดเจ้าราสีอุปามมีเพียบไวแม่น้ำใหญ่ห้าสายมีน้ำไหลจู่เมื่อน้ำน้อยเพื่อไหลมาคือกองกาสะอาดยมโนยามุนาฟาติฟองอาจิราวาดีน้องทุตทางสาะฟูหลังไหลจอมหิรอมไหลกว่าจากดาวป่าหิมมาฟ้านเป็นสายธานตากว้างพอตาตั้งสุดตา โอปมามนี่เล่าคือสัตทธาเจา้าตนบุญเล้งหันคุณอันกวางยาจกอางมหาคานี่นาอยากไรดันป่าไมดงดอน <c oughs> โอเตียวจอมารอดเพื่อขอสองยอดใสาสารีคือจรีจีนจ้อยและนงังนาทน้อยกันหาขอมหาราชาเจา้า จุงฮือลวกเตาเป็นต้านแก่คนผ่านตามจ้าอันกมนามาขอบัดนี้แดดเตอกันพรามบานาเก่าแล้วเตาตนแก้วหลวดจมบ้านดังใจผ่านกันอยากตกลำบากนานนำได้ทงคำบ่เศร้าปันหนึ่งเหลาดีดีจากเศรษฐีใจกว้าง มันยอมอ้างใจบ้านห่อป้อที่ญาณบุญใหญ่จักฮหือป่าไม้ดงรีตั้งป้าทาวีใบวันกองสะนันไปมา <c oughs> จิงกเก่าก็ท่าว่ า, าวตาตามีนาวิกรรมป่ามิดังนี้เป็นตนว่าดูการาตันพรามอันว่าสองกลุ่มมันงามแง่เราจักยกแกจีพราม เออได้ตามมัดใยเออตันใดดีลีเต้าวะนั่งมัดที่ผู้แม่ยังอยู่แก่ดงนาเมื่อได้าังมาดอดแล้วก้อยน้ำลูกแก้วเราไปจุงอดใจยังย่อนอยู่ที่บอลศาลาถึงวันมาผูกเจ้าก้อยน้ำลูกเต้าเราไปแดเตอ อู่จ้าก็พลามเท่าถอยก็ตอบถอยวัดตีวา่าข้าแดพระราศีบุญใหญ่ข้าบ่ไฟเพิ่งใจจักอาสะไหลยั้งย่อนอยู่ตีบอนศาลาไข่ไก่การีพาวออกจากดาวอารามกันข้าตามเต้าบอกบ่รีบออกไปไวเยี่ยวมีภัยอันใหญ่เฮือเดือดไหมเลือลายเฮือหลับหายกาผากไปลุนหากมองได ยิ่งตั้งหลายนี่เล่าบ่เป็นตีเข้าไปหาแห่งคนอนาถายากลรลัางพ่องใจยันมุนเฮือหัวตนเงาใบตกอยู่ไตมือเข่าพระองค์เล่าเป็นเจ้าใจบ่เศร้าเจยบ้านโยหลูกตาแก่ข้าอยากได้จ่าเร็วไวจุงร้องเรียกใส่ใจตั้งกู่มาฮือกูปูบดเนิ้อหยัง่องตาเขียวงามแงได้หันแม่พัา บุญนักนาภาเสดจากปาเต้าเกิดเมืองสวรรค์บ่อยาจักและนาเมื่อนั่นพระมหาสัพเจ้าจริงตอบเทาจิพระมหาสะเจตังนิชเศตทัดถุงดังนี้เป็นตนบาดุราพรหมภูเทา พี่ว่าต้านบอกให้หันนั่งน่อเนาม่าที่ผููมีวัดดีงามแง่อันปฏิบัติแก่หัวตนกันเตี้ยวห่นปอกเตาป้นป่าเศร้าหิมะปานจุงนํากุมารตั้งกู่ไปหาปู่พญาในปราชติต้องแดนเขตทองเจตุตรานกรพระผู้ทรตนปู่เตียงกองหายอยู่ตั้งวันกันเตาได้หันลานแล้ว เตียงใจฟ่องแผวเฉยบ้านจักไทยเอาสองลานเต่าไทยตั้นเตียงได้เข้าของลายบ่ยาจักและนาจูเจ้ากระพรำปู่เท่าว่าข้าแดดเจ้ารัชบุตรผู้แจกว้างคาบ่ออ่างจักไปยังเวียงใจปู่เต้าอันอยู่ดาวสี่ปียิีวไพหมีมาไกลตั่นคุปใดจริงเอา ยังสององเลาหนอเอาตัวคาเท่าหากยินกลัวกันเต้าเนื้อหัวยดใหญ่เครื่องโคดรหม่นําเที่ยงสายตันดักกำบ่อน้อยห้ค่ากาดก้อยถึงตายหรือจะไขตัวคา ือ่้กาวนาสูตั้งไว้คายิงใจตัานจริงไปเหล่าจักมีมือเป่าเรรอนจักขึ้นหุนไปสู่ยังติอยู่เกหานางอบิตตตาเมียข้าเตียงจมดานาจักละนา ลระมะหาสัจเจ้าก็ตอบเราคำไปว่าเต้าสันใจปอข้าบ่อหยาบจ้าสามานกันหันลานมารอดจาอ่อนอดวอนใหญ่เต้ า, ตามีใจแผ่กว้างบ่อละห่างกองทมบ่อกะตำหยาบจ้าบ่อหอนคาจีพรามเตียงมีใจงามจืนจ้อยไทยเอาลานน้อยจอมวันเงินขำปันมาเต้าเฮแก่เทาจีพรามจ้ะแลนา จูเจ้ากระพรำปูเทาจริงตอบเจ้าขุนทมบาคาจังกะตำบ่ได้ดังเต้าไทยไขปันเต้าจักน้ำสองจอมควันเงินฟ้าไปเป็นขานังอบิตตาตาในปาราคงเขตแดนพระเตศกาลิงกะราชปุรีปุ้นจะละนา ารุณ์าว่าจะนั่งสุดตาเจ้าจะลีผ่านแถวกับน้องแก้วกันหาฟังพรมจากกำยาบยินสาราบหัวใจจริงเอากันไปลี่อยู่หลังแก้วกูศาลา <c oughs> ที่นั่นน่ะอยู่บ่ได้เหนียวพราำไหลตัวตันจริงเอากันเล่นกว่าเข้าคุมยาเฟยตันก็ดังจักหันพราำเท่าไหลจอมเจ้าตัวมาส่องโซฟาปี่น้องให้รำร้องยินกลัวมีตนตัวใส่สันหัวอกปันเบววนจักตั้งตนอยู่บ่ได้กลัวพราำไล่จริงเอาสององ์เหล่าเล่นกว่าจนถึงตาโบุกกรณี สองสะลีน้อยนาดขาดพานย่อมฝ่าเตียมองแล้วจนลงสูน้ำอันเลึกพัมเพียงคอหมอกหัวย่อออกใด <c oughs> เอาใบบัวใหญ่ปุกหัวเอาตนตัวซ่อนอยู่ย้อนกัวปูจีพรเกะมีหันและนา มะทังปกาเซนโตสัทธาอ า, าสัทธาสัปัญญูยอดซอยหันบาดถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสนาวาตะโตกุ ม, มาราตัญติตาดังนี้เป็นตนพิงคาเวดุราภิกุตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาจเื้อนักภาทรงยาน อันว่าสองกุมบานปีน้องอยู่จิมห้องศาลาฟังพระจากกำยาพมข้านาปูนกลัวจักตั้งตัวอยู่บ่อใดสองแกนไทยเล่นหนีไปลงบังใส่สะลักวางน้ำแบด้างจูป้ายสองขิงไผ่ปีน้องเอามือนองใบบัวมาปกหัวลี่อยู่ย้อนกลัวปูจีพรำบรั น, นั้นและนา <c oughs> ส่วนจูจ้ากระพรำปูเทาบ่อหันสองเจ้ากุมมารอยู่สถานตีไก่กอดาเต้าไทยนอมูนีวาดูราระศีหยดใหญ่ตันปดไปย่อตา ยังสองกลุ่มมารโลกแกวือกูแล้วตามทำแล้วซ้ำจำกูไปสู่ตีเต้าตนปูสนใจกูบอไปตามกก่าบอกเขาเขตดาวสี่ปีจักเอาสองสลีนอลาไปเป็นขานางอภิตตาตา พ่อยฟับตาฮือลูกไปตันเต่านั่งอยู่จะควายได้ได้คนยิ่งใจตัวดาวไพ่บ่อไล่เต่าเต่าดีลีแสงยินดีจมจืนยกลูกยืนย่อตาไข่กำบานจินจอยเป็นบาถอยกองทำป่อยครับจำลูกป่าลบหลีกหนี้เสียนี้และนา เมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าฟังพรามเทาปาละไขกัมจารยาบเจ้าเจ้าตกขาปาเหลือลายเจ้ากฎหมายรู้แล้วว่าสองลูกแก้วเตียงนีไปเจ้าจริงไขตันเหลาซึ่งปู่เทาจีพรามด้วยกัมงามจืนจ้อยว่าตันยาต่ำก่อยเครื่องใจเราจักไปส่อไส่เอาสองนอไทยกุมารมาฮือตานแก่่านบัตหนีแหละนา ว่าอันแล้วเต่าตนแก้วนอปุถาก่อไก่กาลาภาคออกไปจากอาสะรมสะแวงหาซองอุดมปีน้องตามร้อยตินตองเตียวไปตามเวยใบขุมยา ถึงรอตาโบคารณีน้ำใส่ดีสะอาดร้อยตีนขาดหายไปก่อขึ้นใจสอดรู้ว่าสองกินกู้จำควันเตียงปักกันลี่ซ่อนอยู่ในบอลวังทาน นอบูทิยานรู้แล้วจริงเรียกลูกแก้วจือจาลนีก็ใครว่าตีกะทอยเป็นบัดสอยกะทาว่าเอหิตาตาปิญาพุทธาปูเรธามะมะปารมิงดังนี้เป็นเก่า ว, ว่าดราเจ้าจาลีเฮยลูกคักป่อเจ้าจุงใจหมอมาไว ตามพ่อไขรกกาอ้างมาช่วยพ่อสร้างป่าระมีมาเป็นน้ำใสดีเย็นสะอาดมาฮดล้ อ, อยาทหรไทยคือหัวใจแห่งพ่อฮือใจม่อเจยบบานมาเป็นยานเล่มใหญ่นำสัต์โลกไทยนำนาคามกงกาแม่กวางคือตาตั้งสงสารฮือถึงนิพานเลิศแล้ว ย้อนป่อได้คือลูกแก้วเป็นตานี้แด่เตอ <c oughs> เมื่อนั่นเจ้าน้อยนาจะรีฟังคำดีป่อกล่าวร้อนพระเผาเลือใจคนิ่ิงไหนกึดไขว่าแม่นพราำถอยไล่ากาลี จากบุปตีคำคาหรอน้ำกว่าแดนไก่เนี้ยสันใดก่อแล้วอย่ากหือป่อแก้วเรียกสองตีเจ้าจะลีผู้ผ่าเสถก่อนยกเปิดใบบัว <c oughs> อันพวกหัวออกแล้วก็ไปหาเต้าตนแก้วปิตากรมคอแข่ขงกรมขวาปออไหยแล้วร้องไห้เรร้นก็มีหันแลยนะ เมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าบอหันลูกเจ้าจือกันหาจริงไครจะทำเลาว่าดูราเจ้าจะลี่สายสลีลูกรักป่ออันวานังน้อยนอกันหาได้ไก่กาลีซ่อนอยู่ตีบ่นแดนได้เจ้าจะลี่ไขตอบเลาว่าคาแด่เจ้าพิตาเมื่อไผมาถูกตอง สัตยู่ห้องโลกิรักอินทิจุภูริสันยู่ให้มันคาบหันน้องแก้วงามเดือดแล้วจื้อคันหาและนาเมื่อนั่นพระมหาสัจเจ้าตนผ่านแถวขึ้นรู้แล้วด้วยพระญาจริงเรียกกันหาลูกน้อยจิงก้าวถอยก็ทาว่าเอหิอมมาปิญาทิตาปิญาเมตานาปารมีดังนี้เป็นเก้าว ว่าดราลกเต้าชื่อกันหาเจ้าจุงมาด้วยหมอฟังกำปปอไขปันมาช่วยกันก่อสร้างตั้งใหญ่กว้างคือปาระมีเ <c oughs> ฮือเต็มดีพร้อมไข่ด้วยอันเฮือลูกแก่นไทยเป็นต้านจุงมาเป็นยานเดิดแล้วคือสะเปาแกวเฮือคำนำสัดนานมวนมากหนีพ้นจากสงสารแดดเตอ นางกันหาหนอน่อยได้ยินถอยกำจ่าแห่งพ ญ, ญาต์ตนป่อขึ้นใจต่อคนิ่งในว่าเหม็นพรำจังไรถอยจ้าจักคำคารวีก็ตามที่พราำเทาอย่าหฮือป่อเจ้าเรียกป่อสองกันทริปองดังนี้แล้วนั้งหนอแก้วกันหาก็เล่นมาโดยหมอเขากอดแข่งสายป่อพ ญ, ญา โอ๊ตโซกาบอดายก็ร้องให้ปูนผ่านน้ำตาแห่งสองกุ ม, มานปีน้องไหลลังตองลังตินแห่งพระนรินปอไทยเตียเสียงไขด่ดีๆส่วนพระสีตนป่อรักซองน้อยนอเหลือใจน้ำตาไหลตกตองลงบนหลังซองปีน้องสองขาก็มีหึ่งละนะ <c oughs> เหือนั่นพระมหาสัจเจ้าตนบุญใหญ่ยินโสไม่เลือใจหัวอกไหววาวาดดังจักขาตกลงจิงจักป่งยังมืออันอ่อนลูบหลังสองปีนองกุมารแล้วจาวานตันถอยด้วยกำอ่อนอ้อยปีญาวาดูราบุตตาเฮลูกเต้า มีกะว่าสองเจ้าดองไว้บ่รู้น้ำใจแห่งป่ออันมักสัางก่อปาระมีขอส่องสะเล่อดอกไทยจวยป่อเฮใดดังภาานาป่อจกคือสองขาลูกเต้าแก่ปู่เท่าจิพรามบัดนี้แหละนา เมื่อนั้นพระมหาสัจเจ้าจะกดก้าลูกเตา่าสองขาจริงก่าว่าดุราจารีกันหาเฮยนนนเอา <c oughs> พอจักเหือสองลูกเตา่าเป็นตานแก่พระผ่านเท่าแก่อันมาแต่แดนไก่แต่นี่ไปไปนาได้จอว่าเป็นขาแห่งจีพราม <c oughs> ตั้นสององรามไข่ป้นจะค า, าไดผากนาเป็นไตป่อจักไข่บอกเล่ากดกาเจา้าตั้งสองเฮือหาของมะไทยแก่เท่าถอยไรจีพรามคือเจา้าจาลิงามโสพันจุงหาคำปันนิขายกน้ำมาวางไทยเ จ, จ้าจริงไดเป็นไตป้นวิสัยแห่งคาแห่งเท่าถอยจาจีพราม สวนกันหางามบ่อสากกาแห่งเจา้าแขวนแฝงฮือคำแดงปอร้อยตังคาคอยอยิงใจ่าจังปังไปปอร้อยตกแต่งซอยปันพรำมม่ <c oughs> มาตัวงามปอร้อยงว no ัวใหญ่น้อยตัวปีอุสูพระราดีปอร้อยตกแต่งซอยปันพราำกันหางามน้องลาจิงพ้นจากข้าเป็นไต บ่เป็นวิสัยภัยราดอันจักอาจสะแหวงหายังของนาณาฝุงนี่ได้เว้นแต่เต่าไทยสาวยเมืองอาจจักไทยบุญเรื่องน้องลาหือพ้นจากคาเป็นไตกันเจ้าไข่เกาแล้วก็น้ำโลกแก้วสองขามายังสาลาทีอยู่คือแก้วกูอารามเอาน้ำตนงามตั้งไว้ในตีไกกากญา <c oughs> เรียกพระ ม, มาบอจ้ า, จาหฮือนั่งต่อนาเรียวปันพระจอมทันจักตานต่อเธอเอายอดมหาทานเปืือกเฮถึงโป้ที่านเลิศแลว้วเกือผญญาแก้วรับปัญญูเต้าบุญจูยศใหญ่ก็อยาดน้ำใส่มือพรามบาดูราพรามกูรักสององรามล้ำยิงเหลือตุกสิ่งตนกู เต้าว่าพระญาสัมปัญญหยอดเจ้ากูรักกว่าลูกเต้าน้ำหนากันว่าจากเก่าแล้วก็พระศาสเธอลูกแก้วเป็นตานยญำนั้นจังข้าวานก็ความเขือโก้ละหุนเหยืยดถึงคลมและนาตามาถังปกาเซนโตัศรัทธาศรัทธาสัพปัญญูยอดซอยหันบัดทอยบาลีบทหลังมีไปแจ้ง พระจริงแสงเตสานาวาตะโตกุ ม, มารีอาตัญญาดังนี้เป็นตนเพคะเวดูราเพขุสงตนทารงศินใสจินจอยอันวาฟญาเวสันตะระยอด้อยระศีถึงปัตตานาปารามีสุดยอดคือยกลูกกักต่อตานไป แก่พรามจังไรถอยไร่เมียนเสียงไข่บัรรบวระมวลเหตุอันกวนยินลาเกิดขึ้นมากตั้นตาคือแผ่นดินนาวัยวันฝ้าร้องลันไปบนโขละห่นเก้าคกนเส้นคนตื่นปูนกลัวผมยังหัวเย้าสันน้ำสมุดปันตีฟ้องกงกาน้องตีฟังหาฝนลังลงมา วิจูลตาฟ้าแมกกอสแลบปล่อยเรื่องพอดวยเรืองตัวป่าเสียงฟ้าผ่าดยค้างเป็นมหาปางอันใหญ่เกิดขึ้นไข่หิ ม, มาวันเสียงเรื่องนั้นมีกอง <c oughs> ขึ้นรอดหองมาหาพรหมเทวานุยมน่อมไบภายดอกไม้สาธทุกการก็มีหันและนา อนว่าพระมหาสัจเจ้ากันได้เหือลูกเต่าเป็นตานปริญโยสานเมียนแล้วเต่าตนแก้วลวดยินดีขอไยวาติกาวทอยวาสูตินดังวัตตเมตานังดังนี้ว่าโอ้ยนอ ตานนันใดนี่นา น, น, นอันกูใดคือแล้วเป็นตา่นฟองแผวดีลีนอพระมูนีว่าแล้วก่อเล็งพอ่อนาโดกแก้วตั้งสองก็มีหันและนา <c oughs> ส่วนจูจาา้าก็พรำพังไรรีบอย่างง่ไก่กาจากศาลาตีอยู่เข้าไปสู่ดงนาเล็งไปมาสอใสเน่าหนองใดเคือเขา แล้วกัดเอาโดยเขียวกันกาเกียวเขือวันน้ำมาปันบ่จ้าตัดสองดาโนมูนีแล้วผูกมือเจ้าจาลีคำขวานผูกมือนางกันหาคำาย เท่าใจไร่ก็เอา้เงินเจือเครือเข้าตีสององเหลาหน่อยนอตอนาปอพญานพงและตาพอค่อยอยังลูกน้อยตั้งสองก็มีหันและนะอาอามะทังประกาศเซนโตศรัทธาอาศรัทธาสัมปัญญูยอดซสอย หันบ่ทถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพระจริแสงเตสนาวาตะโตโสุพรมมามโนลุทโทดังนี้เป็นตน <c oughs> ้นเพคาเวดุราพีขุทรงตนทารงสินใสจินจ้อยส่วนพรามเท่าถอยจือจูจักกะพราม ออกอารามฝั่งเฝ้าทุกหลากเน่าเครือเข้าแล้วกัดเอาโดยเขียวกั้นกับเกี่ยวมาไว้ผูกซองใส่ใจน้อยนัดเอาเงื่อนเจือกฝาดบุบตีหลากสองสะลีปพี่น้องออกจากห้องศาลาตัดก้องตาสองนาแห่งเจ้าฟ้าระสีมันบ่อผานีสักกากตีจากหลากนำไปบอไปไว้มันดาตีลังกว่าเป็นลาย หลังปล่อยเป็นบาดเขือเขือเข้าบาดเป็นแนวเลือดเป็นแถวหลังย้อยตกเป็นทอยไหลลงตั้งสององร่องให้กองป่าไมดงรี <c oughs> ยาพรมจักตีฝาตองสองปีน้องจอมฝันก่อเอาหลังกันรับไวบ้ฮือพรมตีได้ตามบสัยเลือดย้อนไหลพดออกทุกสะระ ก, กัาญา <c oughs> ลามปาลาใจบาภมข้าดาเปลือลยไหลรีบผ่านภายจะใจเดินป่าไหมดงไพรปูด จ, จังไรล้มตาวดินดาดาวพัดพันลุกบ่ตันด้วยง่ายพัดแหวไวายไปมาเถ้าละดาเจือกลากาะหลุดจากมือพรามสององรามปี่น้องกันป้นจากบวงกองเคลือวันก่อเรียวปันบ่จ้ารีบแล่นกว่าขึ้นหลัง มาหาังป่อเต้าอันอยู่ดาวสาลาริรำจาร้องให้อยู่ตีไกพระปิตากมีหันและนาตรมถังประกาศเซนโตศัทธ า, า, าสัทธาสัพพัญญุตนเป็นครูแก่โลกหันอาพกมาลีบทหลังมีไปแจ้ง <c oughs> พระจิงแสงเตสนาวาตะต่อกลุมมาราพักกะมงดังนี้เป็นตนพิะเวดุราพิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยจตาเชื่อนักภาธทะงยาณ <c oughs> ส่วนกลุมมารปีน้องกันปนจากบวงก้องเขื่อวันก่อหลวดเอากันเล่นกว่าปิ๊กปอกนาคืนมาริรำจาร้องให้ อยู่ตีไก่ปาตาแห่งพระปิตาพ่อเจ้าจะใจก่ากำบลว่าคาแดพระผู้ถอนพ่อเจ้าอันว่าแม่หนอนเามัดที่ไปดงรีป่าไม้ยังบ่อใดตันมา ดังเรือป่อพระยาเป็นเจ้ารีบพื้ลูกเตาเป็นต้านกันแม่น้องคลานมาแล้วป่อก่อยพื้ลูกแก้วตานไปกั <c oughs> นแม่ใส่ใจเป็นเจ้าได้หันลูกเตาบุตรตาแม่นพรำปล า, ปาลายาบจ้าจักไปจักนำไปขายหรือขายก็ตามอูบายพรำเท่าขาลูกเต้าบอกินแดงแลยนะ ก็แด่ป่อผ้าญาเป็นเจ้าอันว่าพรามเทาภูนิโสดมันมีปุริสะโตดในตัวปูนดีกว่าสิบแปดแห่งไร้ตั้งแต่งฮึกนา คือมีป่าตาตังกูหดย่อถูเป็นฝาหน้ามีเล็บตังสาวเม็นเน่าน่องพรามเท่าเป็นปมปนหิมปากปลายบนยื่นปกปลายต่ำน้ำไหลไหลพัมเป็นสายเขียวยาวลหลป้นปากพอแต่หากเหมือนมัวบ่อปูนดีดูแต่ใส่ต้องพัมใหญ่ดังฮักจิ้นแอวนักดังไตเขา หลังพามเท่าคดรขอพอดลำคอกดโกงมีหนวดทรงสีแดงสองตาแยงบ่อเต้าคือตาพามเท่าบ่อซะเมื่อกันส่วนผมมันนั่นเล่าเลืองตัวเต้าตั้งหัวส่วนลำตัวนั่นใส่เอ็นพดไข่เป็นสายปานดำแดง ด, ำ, ด, ำ, ดำไหลที่ทอยพรมเท่าถอยเหม็นเข่าผอตาขาวเลือกเลื่อมโบปูนดีเอื้อมแป้งปัน ย่อมตัวบันย้ายบาทดูกลั่นดูกลั่นข่าคุดข้าขาดปูนกัวข่าแด่ปอเนื้อหัวเฮ้ยเป็นเจ้าพรามปูเท่านี้นาแก่นปลาหาวหาดแซงนุงพานย่อมฝาดเหมือนผีมันบอดีถอยจ้ามาคอสองขานำไป เป็นสันใดป่อเจ้าย้ำลกเต่าสองขาปริเวตนาร้องไห้ป่ออดอยู่ได้บอกคุณนานี่จ้า <c oughs> พรามนี่นาาไร่โหดเหตุมีปุริสะโตดในตนเตียงเป็นผีไฟสนหยาบจ้ากับเป็ดนาเป็นคนมาขอตนเพื่อข้า ไปหลาบซาแกงกินดังรือพระนารินป่อเจ้ารีพื้ลูกเต้าตานไปดีจ้า <c oughs> พร่มนีนาถอยจ้าบุปตีเผื่อคาดำไปดังคนไหนโลกใตบุปตีไล่งัวควายบ่อพันธ์ายไว้แวนมันลากเล่นตีหลังเป็นตุกขังบ่อน้อย เลือดหลังย่อยล้ำไหลเป็นสันใด้ป่อเจ้าบ่อรักลูกเต่าร้องแป้งหัวใจป่อแข่งและสันยังตั้งมันดังหินลวงเจือกปันปวงผูกไว้ลูกร้องให้พ่อก็บบ่คุณหน้านี่จ้า <c oughs> ข้าแดดป่อพ้าหยาเป็นเจ้าอันวาน้องเนากันหามีไว้ห้าอ่อนอ้อยงามจีนจ้อยอุดมยังกินนมบ่อผากันได้จากไปไก่เตียงมีใจอ่วงคองให้รำร่องหอดหิวตาย ดังลูกหัวหลตัวน้อยใจอ่วงหอยกองหาเล่นไปมาอ่ะแอ่ร้องหาแม่กินนมคอสายอูดมน้องขา <c oughs> งามเงือกฟ้ากันหาอยู่กับสองขาพ่อแม่เต้าหือแต่ขาขนเดียวได้ดันดงเขียวป่าเศร้ากับปู่เทาจีพรมเดเตอ <c oughs> ในเมื่อเจ้าจารีร้องไห้ในตีไก่ป่าตาอันว่าพระมหาสัตว์เจ้าทุกไม่เอาทานัดใจบ่อจ้างไครกำปากน้ำตาภากไหลลุงและนาเจ้าจาลีงามแงผารบซึ่งป่อแม่ตั้งสองยินใจมองตำก้อยจริงก่าวซึ่งน้องน้อยกันหา <c oughs> ว่านาเมตังตะทาตุกคังดังนี้เป็นตนว่าดูรากันหฮยกันเฮ้ยน้องเนา <c oughs> ตกอันใดอันพรามเทาบุปติแหลราวิใจใจ บ่เป็นตกไม่หลือร้ายเหตุยิ่งใจในโลกเตียนยอมได้ตกโศกด้วยตันบุปตีตกเครื่องขีดถูกตองยังปีน้องสองราคือบอ่ได้หันสองขาพ่อแม่เป็นตกแก่เดือร้ายตกบ่หายใจยจ้ายิ่งกว่าพรมดาและตีและนา พ่อพญาเป็นเจ้าบ่าหันน้องเนากันหาจักโซกากึดร่ำตั้งแต่คำรวอยทีถึงยามดีพวกเจ้าแต่เจ้าเหล่าถึงแรงตุกจักแฝงป่อเจ้ามีมากเต้าลวงลายหัวใจใหายหิวหอดดังน้ำน้อยคอดเขินซ้ายและนา แม่มัดที่เป็นเจ้าปอกป่าเศาขึ้นมาบ่าหันราปีน้องในแห่งห้องอาสรมสาีอุดมแม่ไทยเตียงร้องไห้สะแวงหากันบ่หันราตั้งกูแม่เตียงมุกมู่มรณามอยาจกแหลนา ดูรากันหาเฮยน้องไทยอันว่าไม่ตั้งลายคือจุมผู้ภัยกิ่งก้อมยางไปพร้อมเรวรามมากนุ่นน้ำนี่โคตมากควิดสดเลือดตาไม่นะ้านะเป็นหมู่ยังตั้งอยู่เนืองน้องราตั้งสองจกักใดละไว้เขาป่าไม่ตามพรำ <c oughs> อันว่าอารามแลสัตว์น้ำเราเคยเล่นจู่กรรมไปมาตั้งบุพพาดอกไม้เราจักได้ละไว้มองได้รูบจ้างปังป้งไปตัวใหญ่รูบม้าใสอันดีรวหัวปีเป็นเก้าอันป่อพาญาเจ้าแปงปันเราจักได้ละมันผักไว้เข้าป่าไมจอมพรำและนา นังกันหาน้องเนาก่อตันเหาวาตีวาคาแดพ่จาลิเหยพ่จาลิเ ฮ, ย เ, ฮยเป็นเจ้า <c oughs> อันว่าแม่หน่อเนามัดที่เขาดงรีป่าไม่แม่ยังไปมาตันเมาหาหัวมันลูกไม่ละเราไว้มองได ไม่ตั้งหลายน้อยใหญ่เราจะได้ลาไว้หนี่ไก่ดอกในไพรใหญ่น้อยบ้านแบ่งซอยนำนาเราจักได้ลาลาไว้ยังดอกไม้ดวงงามห่วงอารามระเรือนเราเคยเล่นจื้นเอาใจโบกคารณีใสาตาราเราเคยหลงอาบตั้งวันเราจักได้ผ่านลาผ่าเว้นเสียจากโบกคารณี เครื่องเล่นมีบ่อไรดังน้อยใหญ่น า, นานาเราจังได้ลาละไว้มดเสียงไขวจูอันอันและนา <c oughs> ในเมื่อสองปีน้องพงไ้รำร้องซึ่งกันไปมาดังอันเ <c oughs> บืองบันจูจ้าก้าพรำถอยไรก่กอลุกได้ไปปั้นผูกเอาซองจอมควันน้ำกว่าบุกตีดานำไปและนา ตามัดทางพระกาเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพพัญยูยอดซอยหันบาถอยบาลีบทหลังมีไปแจงพ <c oughs> ระจริงแสงเตสนาวานิญะมานาคุ ม, มาราเตดังนี้เป็นตน้นพิกาวดูราพิกูตั้งลายอันเป็นสายอริยจาเื่อนักพาทรงยาน ส่วนซองกุมมานปีน้องอันพรามผูกด้วยบ่วงก้องนำไปยินอาไล ร, รักแม่ร้องให้แพ่ไปมาเจ้าจะลีกันหาน้อยนอวายนาหล่อขึ้นหลังร้องสั่งยังป่อเจ้าว่ากันแม่เน่าเน่าขึ้นมาขอพ่อพระยาบอกกาวฮ่อแม่เต้าตามี ว่าจาลีน้อยนาดและนางแก้วอาจกันหาหาโรคกาบ่อใดเข้าป่าไม่ตัวพรามลัดขุ่มน้มป่าเศร้าสุดแต่เท่าจักจำคอองค์คำป่อไทย อย่าเอาไม้เครื่องขีจุงซัดสดีเตียงเต้าของเล่นลูกเต้านะนากันแม่พานยามารอดคอปอเอาตอดวางปันฮื้แม่ได้หันต่างหน้าแห่งลูกกำผ้าตั้งสองเ ด, ดเต เมื่อนั่นพระมหาทัพยเจ้ารักลูกเต่าทั้งสองมีใจมองไว้วันตัวเจ้าสันระสายดังจ้างปังไปตัวพาเสดใดบังเกิดเมามัวบ่ออนก่อดังพระจันทร์สรงแจ้งเข้าสู่ปากแห่งราหูนอซัมปัญญูดบ่ได้ดวดร้องให้เข้าสู่ยังที่อยู่ศาลากุ้นคุณามักนักก็มีหันและนา ธามทั้งประกาศเซนโตสัทธาอาหาสัทธาสัพพัญญูตนเป็นครูแก่โลกันอาโภกบาลีบทหลังมีไปแจ้ง <c oughs> พระจริงแสงเตสนาวาตะโตวเวสันตโรราจาดังนี้เป็นตน เพคะเวดุราภิกุทรงตนทารงสินใสวิเศษอันว่าพญาเวสันตราชัมมีศรัทธาเลื่แล้วได้เหือลูกแก้วเป็นตาแก่พรมใจหันปู่เทามันตีสองลูกเจ้านำไปเจ้าอุดใจบ่ได้ก็ร้องให้เข้าสู่ในแก้วกูศาลา กวนคุณนาบัวน้อยเจ้าริราถอยลายพักการวาวอ้มนอสองกลุ่มมานีหนะาน้อน้อยอันพรำถอยปานีมันบุปตีต่อหน้าเป็นดังคาเกิดเรื่อนตนยามลูกสองคนอยากเข้าภัยนั่นเหล่าจักปั่นยามตะวันคำลา ลงลับป่าดงไพรส่องสายใจปีน้องเตียงรำร้องเววาไผยจักมาลมเล่าฮือส่องเจียงเจ้าเย็นใจยามตาวันใส่ย่อนห้อยส่องนัดน้อยบุญคขวางเตียงอือค้างอย่าเข้าคนใดเหล่าจักปั่นฮือส่องจอมควันเก่นไทย คือปั้นข้าวใส่มือขวาแล้วบิดป่าใส่มือซ้ายเฮลูกเออยายได้กินนี่จ้าลูกกูได้เตวดินติ่นเป่าดันป่าเศร้าดำหนาแย่หินผาแฝก่าติ่นลูกกำผ้าตั้งสองเตียงสุกเป็นนองปองเป็นน้ำตีจูจจำก็อจำเป็นเลือดบ่อรู้แห่งเหือดวันย้ำและนา ความผู้นี้หาความละอายบอ่ได้ลูกกูอยู่ไกลก่อยังดาและตีกันมันนี่จากหองปุ่นจากจ้องกองตาความปาลาอยาบจ้าจากเย่าไร่กว่าสันใดสองใยใจอ่อนน้อยเตียงกาดก้อยเมื่อมอนกู้อยู่ในนากรเมืออ่อก่อนไผบ่หอนจักดาและตียังตาสี่คนใจ <c oughs> แห่งกูได้ดีดีบัดนี้ส่องสะลีงามแงอันเกิดแก่กลาง อ, อกครามจูจกปูเทาใจบาปเศร้าปานผีป้อยมาตีและดาดังจักความนาตายไปดังปา่าในใสในครองอันตันเอาคอนตุกตองบุกตีดีจ้า เมื่อนั่นความปรีวิตักอันใหญ่ก็เกิดแก่พระติวัยเวสันตราชายอนพิญญาจงหอยรักสองลูกน้อยใส่ใจว่าพรมจังไรอยากเจ้าป้อยจำกว่าดาติยังใสสรีตั้งกูกอกูบ่ออาจอยู่นั่นไป จักเรียวไว้จอมกว่าข้าพ ร, รมหยาบจ้าผีพายฮือมันตายฮือมันตายแล้วจักเอาสองลูกแก้วขึ้นมานอพุท ธ, ธายดไใหญ่ซ้ำกุดไข่คนิ่งในรำเปิ่งไ ป, ไปไปนาว่าพ ร, รมหยาบจ้าปาราตีสองขาหน่อยเนตบอใจเป็นเหตุบันดานบอกเฮือปานจุจอดยังผญายอดซ้าปัญญย ตนแห่งกู้ยกยืนด้วยใจจืนจมบ้านใดคือตานไปแล้วป้อยกาดแก้อกินแดงกึศใจแฝงเอาขึ้นเหล่าไร้กว่าเก่าดีลีบ๊อบอนใดเป็นพระมูนีผ่านแผวนั่งแต้นแก้วโพดโลกาพิทัรนมดาแต่เก้าแห่งสักพุริสะเจ้าตั้งลายแลยนะ กถ า, าอันมีปลายนาใดจิว่าเป็นกถ า, าสำแดงป ร, ริวิตักแห่งมหาสั์เจ้า ว, ว่าอาตัจะปังกะเหตวานัดังนี้เป็นตน้นพระมหาสัา์เจ้าขึ้นใจเล่าค่นิ่งใดว่าจักถือดาบสะดีกันใจดาบแกวกับธนูแล้วไปตาม ถ้ยังพรามเหือตายแล้วเอาหลูกแก้วขึ้นมาควนและนาว่าอันยามนั่นดอกปูที่ญาญยศใหญ่ก่อเกิดใดกฎหมายว่าปูที่สัตว์ทั้งหลายเมื่อก่อนย่อมบ่ผ่อนมหาตาน ฮาพระการนี้ใส่จริงจักใดทารัดพระญาณนำสัตตามวนหมูให้เข้าสู่เนรพานมหาตาหาพระการนั้นใสคือหากใดอันใดทานาปริจักกือเงินคำใส่ลายหลากยกยืนภาคเป็นตานอังกะปริจักะเลือดเนื้อภาคเป็นตาน ชีวิตปรีจากกาสาลีชีวิตปรากเป็นตานปุทธะปรีจากกะลูกเตียมใจบ่ไหวยกยืนให้เตตานอริยาปรีจากกาเมียเจียงขานอ่อนอ้อยใจจียนจ้อยย่อตานตานห้าพักการนี่แล้ว จริงจักได้นั่งแต่นแก้วท่านพญะาบัดฑีนากูได้หือส่องแก่นไทยตานไปบ่กวนกึศใจดันสอดบ่กวนกึดรอดกินแดงตานส่องรอมแปงไปแล้วก็บ่ใจลูกแก้วแห่งตันดีลี นอมูนีเจ่องจันแปลงใจคือมันตามทาตนองคำพดออกมาอยู่ปายนอกศาลาก็มีหันและนะ <c oughs> ส่วนจูจ้าก็พรามปูเทาก็ตีดาสองเจ้าสายใจลัดดงไปจะใจแม่นร้องให้ก็บูพานี เจ้าจาลีนุวาราชจริงกก่าวซึ่งดังนาดกันหาวาดูรากันหฮ้ยกันหาเฮ้ยน้องเ น, ง <c oughs> นากรรมคนเรามีมาวว่าลูกอันหาแม่บอดได้ือแม่หนอไทยสายตา ได้ใก่กานีกว่าเรือความนาตายไปหล่อแต่พ่อใส่ใจปินเก่ายังอยู่เฝ้ารุมระจุมบุตตามวนโมมีชีวิตอยู่เสมอตายกรรมคนตั้งหลายว่าไว้ก็อมาได้แก่เรารานีและนา ดูราเจ้ากันหาสองเราราปี่น้องอย่าอ่วงของชีวิตตนราสองคนจักตายกว่าเหตุเจ้าฝ้าป่อพญา <c oughs> บอกคุณนาะโลกเตาเอพรามเทานำไปมันมิใจก็ยาคมค้านาบนำนาเต็มบาราร้องไห้ พามถอยไร่ก็บโบผาดีดูรากันฮะเฮ้ยอ่อนอ้อนน่าจืจอจโสภาเราจักได้ลาลาไว้ยังหมูไม่จุ่มปูไม่ย่างไปดูงามอาชบายาตเต็มไพร <c oughs> ดอกใหญ่ใย ห, ห, หอมหลากเราตัดหักดวงอามควงอารามใหญ่กว้างและตาตั้งโบครณีรูกมัวมีจังมาไม่จากใดละไว้มองได้และนา <c oughs> ส่วนจูเจ้ากระพรมปูเทานำสองเจ้ากุ้มมารัดดงด้านด่านดาวพราหลวดพาลาเตานอนง่ายสองบุญภายปีนอง ก็หลุดจากบ่วงกองเคือวันจริงปากันรีพาวเล่นฟังเฝ้าขึ้นมาดังกุ๊กกู้ตาแม่ไก่อันตัวไข่บ่อจำรังเจ้ามันจังเกียดใญงเอาข้อนใสสันหลังหฮือสเลสะหลังพัดพันไปมาและนา ตวนปีน้องสองสีก็แล่นนี่คืนสู่ยังที่อยู่ป่อพญาก็มีหันและนาะตามัดทางประกาเซนโตศรัทธาอาหศรัทธาสัพพัญญ ย, ยอดซอย หันบาทถอยบาดีบทหลังมีไปแจงพระจิงแสงเตสนาวานิยามานากุ ม, มาระเตดังนี้เป็นตน <c oughs> <c oughs> ้นพิาเวดุราพิกูตั้งหลายอันเป็นสายอริยจาเจ่อนักภาทรุงญาณ ส่วนซองกุมมานพีน้องกันป้นจากบ่วงกล้องมือพราำสองคิงรมปีน้องก่อเล่นไปสู่ห้องปอพญาส่วนพรมปลาลาบะใบาก่อลูกใดเร็วพันแล้วภายพันธ์บอดจ้าจเล่นจอมกว่าไปไว้เป็นดังไฟเดือนหาไม่ป่าญาปงเล่าแล้วมัดเอาปีน้องลากจากจองนาไปวันนั้นและนา <c oughs> ตามัดทางพระกาเซ้นตัวัทธาศสัทธาสัพพัญญูยอดซอยหันบาทถอยบาลีบทหลังมีไปแจ้งพระจิงแสงเตสานาวาตะโซโสระจุมาตาญัญญะดังนี้เป็นตนพิงค์เวดุรา กูส่งตนทารุงสินใสบ่อเศร้าตุกคำเจ้าภาวานาส่วนพ ร, าระาหม์ป้าลาเท่าก็าเอาไม่เต้าและเคือเขาเล่นมามัดเอาสองเจ้า <c oughs> บุปติเล่าจำไปต่อหน้าพระผู้ว่าในาตนป่ออันพงพอเล็งดูสองบุญจูนอ่อน้อยอันพรำเท่าถอย่าไป นังใส่ใจน้องลางามเงินฟ้ากันหาเลียวหลังมาและพอ่อเบนนาต่อพ่อพญาสั่งอำลาร้องให้เขาป่าไม้ตัวพรามวันนั้นและนาธรมทังประกาศเซนโตศรัทธาอาหาสศรัทธาสัมปัญญุตนเป็นคู่แก่โลกคันอาภคบาลีบทหลังมีไปแจง้ง <c oughs> พระจิงแสงเตานาว่าตั้งตงกันหาจินณโวดังนี้เป็นตนที่คเวดูราภิกุตั้งลายอันเป็นทายอริยาเจ้าอันวานังหนอนเากันหาเลียวหลังมาพอปอร้องให้ต่อไขกำว่าคาแดพระองค์คำป่อเจ้า กวามผู้เท่าเตียงเป็นพีมันบุปตีลูกน้อยดังคาคอยเกิดเรื่อนตนมันบ่อใจค้นตามใ้เป็นพีถอยไรดงรีห <c oughs> รือเป็นผียักเขตท่าแหลงเปตดเป็นพรามเนี่ยปุ่มลำต้องใหญ่มาคอลูกนอไทยไปกินดังรือพาาระนรินตนปอ เล็งตาพอดูได้ลูกยิงใจร้องให้พ่ออุดอยู่ใดบอกคุณหนานี่จาพ <c oughs> ระมหาสัจเจ้าฟังนังนอเนากันหาใครว่าจะตานก่าวร่อนพระเผาปั่นไฟ <c oughs> จักหายใจเข้าออกแต่ปายนอกลุ่มดังเป็นทุกครั้งลำหมอกจักหายใจออกตั้งปากกอลำบากเลือรงย้อนรักแป้งหลุดน้อยส่องสายเลือดน้อยสองไฟไหลหยติย้า ย, า ย, ย, า ย, ายต่อเต้าออกแก่เบาตามาสายน้ำตาเป็นเดือดตุกไม่เดือดลายสัน เจ้าเล็งหันเลือดย่อยบอเป็นทอยล้ำไหลเจ้าก่ข้านิงในกึดเหล่าซอนตัวเก่าตามทำบาตุกนาดำบ้าน้อยมาจองห้อยโหระทัยน้ำตาไหลเป็นเหลือตุกบ่อเหือดนี้ไก่บ่อใจเหตุอันใดมาตองแม่นเหตุรักสองพี่น้องดีลีส่วนสองสะรีลูกแก้ว กุญยืนแล้วตานไปบอกกวรอะไรจังหอยยังลูกน้อยสองคนกวนแปลงใจตนมันอยู่ในแก้วกูซาลานีและนาพระมะหาสัพยเจา้าตนอง์อาจืออาวาสอนตนดับกังวลเอาไม่บ่กิดไข่ผ า, ารม่มแปลงสติสรมดังเก่านั่งจุดเบาสันดีก็มีฮันและนา เมื่อจูเจ้าก็พรำปู่เ่าน้ำสองนอเนาบุญจูไปถึงพระตัวป่าไม่นางแก้วแก่นไทยกันหาก็ไขกะถาตันเล่าซึ่งปีเจ้าจะลีว่าอิเมนป่าตุกาตุกขาดังนี้อันว่าตินราตังงกูร้อนวะวูป า, านไฟ เท้าตัง้งไก่นักแก่หินแกมแห่ทมทองตีสุกก็สุกเป็นรองตีป้องก็ป้องเป็นนำอันว่าตีจำก็จำเป็นเลือดบารูแห่งเหือดสักยามปูปุ่มลามซ้ำตีจ้าใจดันป่าไม้นมน า, มนาขึ้นด้อยผาลิงจ่วย ลัดหอมหวยตึกบตันซ้ำตะวันกาตาจักมืดคำจนตาสองเราระควรไว้ซึ่งเตปประทศไทยบนเทวดาตนอยู่สร้างไข่ปากกวางดงดาบ้าคอเอากำเพื่อขาไปบอกแม่นอลาเมที ว่าเผื่อขาบอมีพัญญาตมาต้องปาดกญัญญาตาว่าพรมประลากยาบมันข้าหนาจำไปกันบอกไว้ตุนจา้ามันแจ้งดาบุกติจักลากนีจะาใจแม่นร้องให้ก็อบอกคุณา กันแม่พระยาเป็นเจ้าไขาหันลูกเต้าจอมควันรีบเร็วปันดันป่าต้วรยรกว่าจะ ม, มาเตียงหันบุตตาปีน้องไหนเถื่อนทองดงไพรขอใส่ใจแม่เจ้ารีบไตเต้ามาฟันฮือได้ตั้นหันหนาแห่งลูกกำผ้ากลางตังแดเตรอ โอ้ยนอแม่มาทีนี่นาโนเป็นเจ้าแม่ขอดเก่าเป็นจาดาแม่ไปหาหัวมันมาแต่เจ้าเพื่อนำเลี้ยงลูกเต่าตั้งสองแม่จักมองเอาไมร่องรำให้ขี่คมย้อนหันอาสรมบทเป่าบ่อหันลูกเต่าตั้งใด ตาวันใส่คำลาแม่ยังบอกอกนาขึ้นมาร้อยแม่พ้ย า, ายาซอส่ไปจะใจลวดลืมมาแ <c oughs> ม่พ้ายาบอรวยว่าลูกแก้วกูใจยิ่งพระมมาจริงจองก้องเข้าสู่ห้องดงนาดังว่าแม่มาทีมารอจ่าอ่อนออดกํายาย เล่าลมใจจ้าใจปันลูกไหม้ไหลอันกันตัวมันอิ่มต้องก่อบ่อล่างว่าจักตีราปีน้องเหลือลายแลวนา <c oughs> ดูราจารีเฮยเจ้าปีตินราณีบวมปองซุกเป็นรองจำเลือดบ่อรูแห่งเหือดสักยามซ้ำปูพรมถอยจ้า <c oughs> เร่งตีดาขับไปบ่รู้ตีใดจักจอดแรงน้อยหอดหิวตายบย่ยาจักแลนาอิตตัถาวิลาปิงสุกุมมารามาตุกิตทีโน อันว่าสองกุม้มานปีน้องอันพรามผูกด้วยบ่วงกล้องนำไปยินนาไล ร, รักแม่ร้องให้อยู่แก่หิมมาปานก็มีด้วยพระการดังกล่าวมานี้และนากุ ม, มาราปปังนิติ ตังขีญยา <c oughs> สังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุกุมรารบันอันผ้าดําาดาด้วยกาถาว่าได้ร้อยเอ็ดกาถากอบังกมสมฤจเสร็จแล้วเตานี้ก่อนแล